เรียนตอนนี้มาขึ้นขันธบพะแล้วเนาะขันธบพะก็อยากจะให้ไปดูเล่มยี่สิบ็ดประกอบนั่นะถ้าใครอยากจะฝึกอ่านเพิ่มเติมพิเศษเลยนะคือเล่มยี่สิบเจ็ดควรควรจะอ่านแล้วก็พอ อีกสักวันสองวันอาจจะเอาเล่มย7สบเจ็ดมามาประกอบ ก, บกับการอธิบายเรื่องเรื่องขันนั่นนะเพราะว่าเต็มยี่สิบเจ็ดนั้นพูดถึงขันทับพระอยู่แล้วนั่นนะเรื่องขันทับพระขออภัยเรียกว่าขันทวิขันทะนะขันทวารวัตรขัน ท, นทวารวัก <c oughs> สติประธานขันธบั พ, พะสัมพันธ์นกันกับบั พ, พะก่อนๆมาหมดเลยอย่างเช่นขันเนี่ยมีห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ รูปนั้นถ้าจะอธิบายให้ละเอียดชัดเจนเลยก็คือกล่าวตามกายานุปัสสนาทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละจากพุทธพจน์ ท, ที่พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้รูปนี่นะอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปคำว่าอย่างนี้รูปเนี่ยะปกติเราจะคิดถึงอะไรก่อนถ้าใช้คำว่าอย่างนี้รูป นะถ้าอย่างนี้รูปเนี่ยถ้ามันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างในชั้นแรกก็คือพิจารณาให้เป็นมหาพูตกับอุปาทายรูปนี่นะพิจารณาสิ่งนั้นโดยมหาพูตรูปกับอุปาทายรูปทีนี้ถ้าพิจารณาโดยความเป็นภูตรูปพิจารณาที่ไหนไนะก็ต้องไม่ลืมหลักการที่ว่า ถ้ากิเลสมันเกิดที่ไหนก็ต้องละในในที่นั้นทีนี้ถ้าเราพิจารณามหาภูตรูปถ้าว่าโดยรวมๆแล้วกิเลสนี้อาศัยมหาภูตรูปไหนเกิดมากที่สุดเนี่ยนะถ้าเทียบภายในกับภายนอกเราก็ยึดติดภายในเนี่ยมากเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณามหาภูตรูปก็ควรพิจารณามหาภูตรูปที่มีอยู่ในกายนี่แหละนะทีนี้มหาภูตรูปก็แบ่งออกเป็นปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุ ปัวีธาตุที่มีอยู่ในกายนี้มีอะไรบ้างอาโปธาเตโชธาวาโยธาตที่มีอยู่ในกายนี้มีอะไรบ้างทีนี้อันนี้พูดถึงธาตุใหญ่ๆธาตุเด่นๆเช่ฉยนะอย่างเช่นปัตวีธาตุคือผมปัตวีธาตุคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังเนี่ยในผมไม่ใช่ไม่มีอาโปธาตุก็มีอาโปธาตุโยก็มี เตโชทาจูก็มีวายโยท่อยู่แต่ว่าในผมนั้นเนะี่ยปฐวีธาตุเขาเขาเป็นใหญ่เขาเขาเน้นอา่ากระวักเขาชัดกว่าเพื่อนนะนะแต่จริงๆแล้วในผมเองก็มีอาโปเตโชและวายโยธาทีานี้ในผมก็ยังมีรูปที่อาศัยอีกคือสีกลิ่นเนี่ยนะรสนะนะแต่รสก็ไม่ค่อยมีใครไปชิมแต่ว่าก็มีรสอยู่แล้วก็มีโอชาอยู่ด้วย ถ้าเป็นส่วนที่มีกรรมเป็นสมุธฐานตรงนั้นก็มีชีวิตตินซีด้วยนั่นแหละถ้าตรงไหนที่มีเป็นกายราษาทาก็มีกายอยู่ด้วยะนะหรือมีภาวะอยู่ด้วยก็อีกกลุ่มหนึ่งพรัน้ะนับแบบนับแล้วไม่นับซ้ำน่นะคือที่เรียกว่านับแล้วไม่นับอีกในเส้นผมของเรานั้นประกอบไปด้วยมหาภูตรูป นะสีแล้วก็อุปาทายรูปอะไรบ้างในเส้นผมเนี่ยมีสีมีกลิ่นมีรสมีโพธภาก็อยู่กับมหาพูดอยู่แล้วเนี่ยนะมีโอชาแล้วก็ถ้ามีชีวิตหรือที่เรียกว่ามีอายุก็มีชีวิตตินรีอยู่ด้วยนะและอะไรอีกมีภาวะรูปเดี๋ยนะ แต่ถ้าเมื่อมีการสัมผัสบางอย่างเนี่ยผมมีเสียงไหมมีนะก็บางช่วงบางครั้งแต่ว่าไม่ใช่ตลอดเวลาก็บางครั้งก็มีเสียงอยู่ด้วยเช่นเสียงอะไรวีผมสะบัดผมอะไรทั้งหลายแหละก็เป็นเสียงได้อันนี้กลุ่มนี้จะเป็นอุป่าไทารูปเนะเพราะฉะนั้นเวลามองเห็นผมก็พิจารณาโดยมหาพูดกับอุป่าไทารูปแต่ที่ในเส้นผมเนี่ยจริงๆแล้วผม เป็นกลุ่มปฐวีธาตุคือปฐวีธาตุหนาแ น, น่นกว่าธาตุอย่างอื่นเนะก็พิจารณาอย่างเนี้ยในในทั้งหมดเท่าที่ทำได้พิจารณาทั้งหมดเลยนั่นแหละเนะทั้งทั้งร่างกาย ท, ทั้งทั้งทุกส่วนเลยนะก็มาใครครวรแบบนี้มากอย่างนี้แหละเรียกว่านี้รูปทีนี้คำว่านี้รูปนั้นไม่ควรหยุดอยู่เฉพาะภ า, ายในใช่ไหม คือพิจารณาว่านี้รูปทั้งภายนอกด้วยเนี่ยนะรูปภายนอกทั้งหมดก็ต้องเอามาพิจารณาและก็คูณว่าภายในกับภายนอกเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปได้อีกก็อดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะก็พิจารณาอย่างนี้ ถ้ามีบุญก็พบทั้งหลายด้วยเนี่ยนะก็ลองมาคิดดูเอ้ถ้าถ้าเกิดในอาบายเนี่ยมีรูปเท่าไรถ้าเป็นเดราชาเนี่ยมีรูปอยู่เท่าไรนะถ้าถ้ากล่าวโดยรูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะพวกนี้ก็มันเอาไปพิจารณาว่าโอ้อนี่รูปว่ารูปทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้นี่แหละเนี่ยนะในทุกภพภูมิทุกคนทุกแห่งก็มีรูปอยู่เท่านี้นนะ อันนี้ก็ทบทวนกับที่กล่าวมาเมื่อวานบ้างแล้วทีนี้ถ้าความเกิดขึ้นของรูปเป็นยังไงนะเมื่อพูดว่านี้รูปแล้วความเกิดขึ้นของรูปถ้ากล่าวถึงความเกิดขึ้นของรูปก็ต้องอย่างที่กล่าวเมื่อวานว่าว่ารูปนั้นๆเป็นส่วนๆไปเนี่ยนะเพราะเราไม่ใช่ไปพูดว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วมาพูดเป็นก้อนๆเลยไม่ใช่ เนี่ยนะต้องแยกอย่างน้อยก็รูปคืออะไรรูปคือจักษุรูปคื อ, สคอโสตะรูปคือคณะรูปคือชิวหารูปคือกายเนี่ยนะอันนี้ถ้ามองแบบอายตนะภายในนะถ้ามองแบบอายตนะภายนอกอะในรูปร่างกายก็มีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชา เนี่ยนะมีสีมีกลิ่นมีรสมีโพัพพะเนี่ยนะแล้วก็ยังมีโอชาอยู่ด้วยเนี่ยนะแล้วก็บางช่วงก็มีเสียงแต่เสียงก็มีเป็นปกติอยู่นะในร่างกายก็มีเสียงอยู่ด้วยเขามีในอัทธาสารีนีท่านพูดว่าผู้ที่มีอภิญญาฟังเสียงตัวเองบอกว่าฟังเสียงยังไงบอกฟังเสียงท้อง มันแสดงว่าในท้องขยับลำไส้ทั้งหลายมันขยับตัวก็มีมีเสียงอยู่ด้วยผมก็พิจารณาพวกนี้ทั้งหมดนะเมื่อพิจารณาแยกแยะว่านี้คือรูปอันนี้ว่าแบบไม่สิ้นเชิงนะแล้วรูปอย่างนี้ในในบุคคลทั่วๆไปก็มีรูปอย่างนี้แหละนี้ความเกิดขึ้นของรูป เนีนะของชัดนะนี้ความเกิดขึ้นของรูปก็ไล่เป็นอย่างๆไปทีนี้คําว่ากายนี่ต้องมาแจกแจกเพิ่มแจกเป็นอะไรบ้างอีกก็ในสรีระเลยนะกายคือผมคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังคือเนื้อคือเอ็นคือกระดูกก็ไล่ลงไปเรื่อยๆๆคำว่ากายเนี่ยกว้างมากเนี่ยนะกว้างกว่าเพื่อนเลยว่างั้นเลยก็มาแจกว่า แม้กายคือผมก็ว่าเป็นสมุทฐานตายกายคือขนถ้าใครเรียนลักขณะสูตรนะนะที่พูดถึงเรื่องกรรมนะพระพุทธเจ้าจะมีขนอยู่ตรงหน้าผากนะขนสีขาวเป็นปุยออกมาเป็นนะผมก็บอกว่านั่นไปทำกรรมอะไรมาเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกมาไล่เป็นอย่างๆอย่างๆอย่างๆอย่างๆไปเียทีนี้ถ้ารูปคือสีล่ะเียนะมาจากปัจจัยอะไร รูปคือเสียงรูปคือกลิ่นรูปคือรสรูปคือโพธพภะและรูปคือโอชาและยังมีชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหมมีชีวิตมีภาวะเพราะฉะนั้นในปริเฉดหกก็จะพูดถึงรูปสมุธฐานนนะหรือสมุธฐานนี่ก็รูปว่าแต่และอย่างรูปเหล่านั้ น, น, นเกิดจากสมุธฐานอะไรทีนี้ผู้ที่พิจารณาเพื่อการล ะ, ละกิเลสจะต้อง เอาลงมาพิจารณาในชีวิตแล้วก็รูปอันนี้คือคือรูปเราเองเนี่ยนะว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดจากเหตุอะไรเกิดจากปัจจัยอะไรเออโดยเฉพาะแยกกลุ่มนี้ให้เห็นก่อนพื้นฐานเลยอะ่ะสมุติฐานแห่งรูปเหล่านี้ที่ใหญ่ใหญ่ชัดเจนก็คือจากกรรมก่อนเนี่ยนะเพราะว่าพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับเรื่องกรรมเป็น เป็นอย่างมากถือว่าเป็นความเห็นที่เป็นทิฐิเบื้องต้นที่จะศึกษาคำสอนเลยถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมตั้งกรแรกแล้วก็มันแทบไม่มีประโยชน์อะไรที่จะศึกษาคำสอนเนี่ยนะพอพูดถึงกรรมแล้วก็จักสูนี้ก็เกิดจากกรรมทีนี้กรรมที่ทำให้เกิดจักสูนั้นทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะก็กรรมสามทวารนะว่ายยอก็คือกายกรรมวจีกรรมและ มโนกรรมกรรมเหล่านี้ถามว่าตัวจริงๆเขาคืออะไรคือเจตนาในอดีตเนี่ยนะเจตนาในอดีตเป็นเป็นปัจจัยเนี่ยนะเอาแล้วกรรมที่มันให้ผลมาเป็นจักสุโศตะคานะชิวหาเนี่ยเกิดจากอะไรนะทบทวนอีกครั้งนะสมุทัยจริงๆอของเขาคืออะไรก็คือตันหาอย่าง ตัวจักคู่ก็มาจากรูปปตัตนหาเนี่ยนะมาจากตันหาถ้าอ่านพระไตรปิฎกบ่อยๆจะพบอยู่คำหนึ่งว่ากรรมในฐานะบริขารของตันหาเนี่ยนะบริขารหรือบริวารของของตันหาเนี่ยนะ พันตันรูปปันหาทําให้มีจักษุสัทธาตันหาทําให้มีหูคันทะตันหาเนี่ยนะทำให้มีจมูกรัศตันหาทําให้มีลิ้นแล้วก็โพธพระตันหาทําให้มีกายส่วนธรรมะตันหาก็ทําให้มีชีวิตทําให้มีภาวะทําให้มีอย่างอื่นไป น, นะแต่ทว่าโดยรวมๆก็คือมาจากตันหาหก ทีนี้ถามว่าตันหาเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยนะทำไมตันหาจึงชอบรูปเสียงกลิ่นรถโพธพะท่านก็บอกว่าจากอาวิชชาเดี๋ยนะอวิชชาเนี่ยแหละเป็นปัจจัยเช่นอวิชชาในรูปเพราะไม่แทงตลอดรูปรูปสมูทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาจึงชอบตันหาจึงชอบกับรูปเพราะไม่แทงตลอดเสียง สัทธะเนี่ยนะสัทธะสมุทัยสัทธะนิโรธสัทธะนิโรธคามมินิปฏิปทาตันหานี้จึงชอบจึงชอบเสียงเนี่ยนะเพราะไม่แทงตลอดคันทะเนี่ยนะคันทะสมุทัยคือกลิ่นเหตุให้เกิดกลิ่นความดับกลิ่นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกลิ่นเพราะไม่แทงตลอดนั่นแหละตันหาจึงชอบตันหาจึงเพลิดเพลินในกลิ่นเพราะไม่แทงตลอดรถโดยอริยสัจนะนะว่าโดยรวมๆเพราะไม่แทงตลอดอริยสัจใน อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ถือว่าเป็นอวิชชานี่ะนี่คืออวิชชาทีนี้อวิชชานั้นปกปิดในสิ่งเหล่านี้ตันหาก็เพลิดเพลินพอตัญหาเพลิดเพลินก็ออกมาในรูปแบบของกรรมกรรมก็เป็นปัจจัยให้มีจักสุโสตะคานาชิวหาและกายนะนะ แต่ว่าตัวที่ที่ชี้ชัดว่าจักษุจะเป็นยังไงโสตาคา h น n a c h i u h a r a ร่างกายจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ที่กรรมน่ น, นะอยู่ที่กรรมกรรมนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแต่ว่าโดยรวมๆแล้วชีวิตของเราทั้งหลายก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจนั่นเองอนะเบื้องหลังของชีวิตของทุกคนเหมือนกันหมดคือ ไม่รู้อริยสัจมาก่อนหน้านี้เพราะไม่แทงตลอดสิ่งเหล่านี้โดยอริยสัจแม้กระทั่งขณะนี้ถึงเราฟังก็ฟังอริยสัจแต่ว่าไม่เห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะเห็นจริงๆไหมมองเห็นสีอะไรก็ได้เอาสีข้างหน้าเนี่ยเออเนี่ยรูปรูปสมู ท, ทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทานะคิดแบบนี้ยังไม่ค่อยจะคิดเลยไม่จำต้องกล่าวถึงว่าบรรลุอนะ กูมาพาไปคิดมาบ้างหรือเปล่าในเห็นสีเอาเห็นสีผู้การก็ไดนะ้นี่รูปรูปสมุไทยรูปนิโรธรูปนิโรธค า, ามินีปฏิปทานเนี่ยนะพอไปนึกๆบ้างหรือเปล่ามีบ้างนะมีบ้างานะให้นึกๆไว้บ้างนะบรรลุค่อยไหวพิงอ่านะถามว่าเสียงเออสัทธะสัทธะสมุไทยสัทธนิโรธสัทธนิโรธค า, ามินีปฏิปทาเนี่ยนะถ้านึกนึกเอาไว้บ้างก็ยังพอมีเขาอ่ะนะ แต่ถ้าไม่เคยนึกเลยก็อวิชชาจริงๆสนิทเลยคำนวณนะเบาสนิทเลยกลิ่นก็เหมือนกันนะคันคันท่าคันท่าสมุทัยคันท่านิโรธคันท่านิโรธคามมินีปฏิปทารสะโพธพภะแม้กระทั่งธรรมะทีนี้ถ้าเกิดทางแทงตลอดสมมติถ้าแทงตลอดอริยสัจตันหาก็จะไม่เกิดในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ถ้าตันหาสิ้นกรรมเหล่านี้กลายเป็นกิริยาทันที จะไม่มีผลมาให้เป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าจักสุโสตะคานาชิวหากายหรือใจเนี่ยนะในฐานะเป็นผลของผลของอดีตเนี่ยนะทีนี้ผลของอดีตนี้พออาศัยจากขูมาเห็นกับสีเข้ามันเชื่อมใหม่ใช่ไหมเชื่อมมามามีผลใหม่สายหูกับเสียงก็เชื่อมมามีผลใหม่จมูกกับกลิ่นก็เชื่อมให้มีอ่า เรียกว่าเกิดวิญญาณขึ้นพอวิญญาณเกิดรับรู้อารมณ์ก็ก่อให้เกิดภาษะเวทนาทีนี้พอเวทนาเกิดเนี่ยอะไรเกิดต่อไปโดยรวมๆก็ย้อนกลับมาหาอันนี้ใหม่ประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยคืนเนี่นยนะคือหมายว่า เราอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะพอเนี่ยเช่นสีรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปธรรมไม่เห็นถามว่าเกิดชาติหน้าอีกมันจะเห็นไหมอา่าขนาดฟังคําสอนก็ยังไม่ค่อยจะเห็นอยู่แล้วอย่างงี้นะถ้าไม่มีคําสอนเลยมันจะไม่เห็นได้ยังไงนนั้ก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะแล้ก็เป็นอย่างเงี้ยวงวัตตะสงสารมันก็เป็นไปอย่างนี้โดยที่ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายเนี่ยนะก็ไม่เห็น ก็อยู่ที่บ้านไม่เห็นอริยสัจอยู่ตรงนี้ฟังอริยสัจไม่คิดอริยสัจแล้วพรุ่งนี้มันจะเห็นได้ไหมมันก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นได้ทํำยังไงท่านก็บอกว่าให้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้จิตโน้มไปเพื่อที่จะเพื่อที่จะรู้ก่อนเหมนกันแหละสำคัญมากที่สุดคือการตั้งอุปนิสัยเพราะไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดกรรมกรรมทําให้เกิดรูปทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นอันนี้เราพูดปัจจุบันคือผลเท่านี้ก่อนนะ ว่าอาวิชชาตันหากรรมนั่นแหละเป็นเหตุของรูปแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ที่เห็นเห็นก็ทิ้งไม่ได้คืออาหารเนีย่ยนะอันนี้นี่พูดถึงเหตุปัจจุบันอะนะซึ่งไอ้ตรงนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่ากายนี้ต้องอาศัยอาหารถ้าขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ถึงกรรมมีอยู่แต่ถ้าไม่กินสัอย่างเดียวยังไงก็ ก็ตายนะเพราะว่าปัจจัยของชีวิตไม่ใช่ยกให้กรรมอย่างเดียวก็อาหารใหม่ในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปพระองค์บอกว่ารูปเกิดเพราะอาหารเกิดเนี่ยนะรูปเกิดเพราะอาหารเกิดคำว่าอาหารรสมุทยาอาหารเกิดท่านบอกว่าบวกกับพวกนี้เข้าไปด้วยเพราะอะไรเพราะขนาดให้อาหารหมดมันก็ยังตายอยู่ดีอีกเพราะอะไรเพราะพวกปัจจัยคือกรรมเป็นต้น สิ้นแล้วเนี่ยนะถ้ากรรมสิ้นให้อาหารขนาดไหนก็ตายเนี่ยนะเพราะไม่งั้นเด็กก็ตายไม่เป็นใช่ไหมก็ใส่อาหารไปเรื่อยๆๆมันก็จะต้องไม่ตายถ้าอยู่ได้เพราะอาหารอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ได้เพราะอาศัยอย่างอื่นอีกเช่นกรรมเนี่ยนะกรรมก็ทีนี้ถ้าใช้คําว่ากรรมเนี่ยนะอนาณาจักรของกรรมมันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคือเหตุอดีตเหตุอดีตที่ว่านั้นอนะกรรมก็คือไล่เป็นอย่างๆไปนะชาวนะดวงที่หนึ่ง ดวงที่2ถึง6ดวงที่7เนี่ยนะแล้วก็กรรมก็แบ่งประเภทของกรรมไปอีกก็ตามสมควรกับเหตุนั้นๆแต่ทั้งหมดนี่คือเหตุเกิดของของรูปเนี่ยนะทีนี้รูปเหล่านี้มีความหลากหลายหรือแตกต่างกั น, ก, นก็คือเมื่อไปเปรียบเทียบกับภพบภูมิเนี่ยน ะ, ะรูปทั้งหมดเหล่านี้นะเช่นเดรฉ า, านก็อย่างหนึ่ง อย่านัชนิดหนึ่งแต่ว่าโครงสร้างรวมๆจากคล้ายๆกันแต่ว่าตัวที่จำแนกให้ไปสู่อบายก็คือตัวตัวทุจริตกรรมเนี่ยนะจำแนกให้ว่าเออนี่แกเกิดในอบายนะอย่านักลุ่มอบายก็มีสิ่งเหล่านี้อีกนั่นแหละเรียกว่าสุขติที่เรียกว่ามนุษย์หรือเทวดาอย่านัแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือรูปอยู่ดีอย่านัจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเดรัจฉาน จริงๆก็คือคือรูปซึ่งเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะโดยที่อาศัยอาหารหล่อเลี้ยงแต่เขาบอกอา้าวแล้วสัตว์นรกไม่ได้กินอะไรเลยเขาบอกก็น้ําลายตัวเองก็ยังนับแบบนั้นแต่ท่านหมายถึงว่ากรรมนั่นแหละหล่อเลี้ยงสัตว์เอาไว้นะหรือแม้กระทั่งพรหมทั้งหลายถามว่าอะไรหล่อเลี้ยงพรหมให้ดํารงอยู่ได้ท่านก็บอกว่ากรรมนั่นแะหละหล่อเลี้ยงพรหมเอาไว้นะหล่อเลี้ยงรู ป, ปรกายนะให้ให้ดํารงอยู่ ทีนี้ถ้าจะดับนิรูปนะนิรูปกระจายอย่างนี้นะในที่เรียกว่านิรูปถามว่าเพื่อปฏิเสธอะไรเพราะว่ามีบางคนไปเข้าใจว่ารูปคือสัตว์เนี่ยนะรูปคืออัตตาเนี่ยตัวตัวชีวะแท้ๆเนี่ยนะทีนี้ถามว่าโดยปกติทั่วๆไปอ่ะถ้าพูดถึงอัตตาเนี่ยนะ เพื่อจะต่อเรื่องอะไรอีกที่ที่พูดอัตตาแบบนี้ขึ้นว่าเออนี่รูปเป็นอัตตาพูดคำว่าอัตตาเพื่อเพื่อให้รู้ว่าคนเนี้ยมีแนวแนวความเห็นพื้นฐานที่ถีเขาเป็นยังไงเช่นว่ารูปคืออัตตาของคนนั้นบางพวกบอกถือว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วจบกันเนีย่ยนะตายแล้วก็จบหมดเลยเดีย๋ยนะเพะิ่นพวกนี้ถือว่ารูปเป็น อัตตาอีกพวกหนึ่งก็ถือว่าตายแล้วเที่ยงเียนะก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มพื้นฐานของของลัทธิอัตตาทั้งหลายแหลจะต้องต่อด้วยทิฏฐิอย่างอื่นต่อไปอีกจริงๆไอ้เรื่องอัตตาก็คือสัสตะทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐินั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าอุเฉนี่ก็าเรียกว่าสัสตทิฏฐิเียนะก็อุเฉททิฏฐิกับ สัสตตตถิฐิเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าเมื่อกล่าวว่านี้จักสุนี้โสตะคานาชิวหากายนีรูปเสียงกลิ่นรสโภทภพเมื่อจําแนกแยกแยะไปแล้วก็ไม่มีอัตตาอยู่ในนี้เลยอย่างที่เขาเข้าใจเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วบางพวกไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาัตตาก็มีเนี่ยนะแต่ถือว่าเกิดจากปัจจัยที่ไม่ไม่เหมาะสมคิดว่า อ, อิสระนิมคือกลุ่มผู้เป็นใหญ่สร้างขึ้นเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่ท่านสร้างขึ้นนะท่านก็ยกว่าพระอิศวนเป็นต้นสร้างขึ้น น, นะนะบางพวกก็เข้าใจผิดในสิ่งเหล่านี้แต่ของาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระองค์บอกว่ามาจากกรรมตัณหาและอวิชชาเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยให้มีสิ่งเหล่านี้การกล่าวอย่างนี้นะ ของพุทธศาสนาเราเท่ากับกล่าวสองอย่างคือนี้คือเหตุแห่งทุกแบบนั้นถ้ากล่าวเอาใหม่นะนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกเนีนะนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกทีนี้ในคําสอนของเรา น, นั้นถือว่าทุกทั้งหลายจะดับดับด้วยอะไรดับเพราะอะไรเนี่ย น, นะถ้าจะดับทุกนะเอาใหม่นะนี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกถ้าจะดับทุกดับยังไง ก็ทําเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าพูดถึงความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นก็คือต้องดับดับดับพวกเหตุเหล่านี้ถ้าดับเหตุเหล่านี้ก็ก็จะดับทุกเหล่านี้ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นความดับในสิ่งเหล่านี้นะความดับในอวิชชาตันหากรรมนั่นแหละเป็นความดับดับรูปอย่างแท้จริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นขันธบพะเนี่ยนะว่าด้วยเรื่องรูปก่อนว่าที่พระองค์บอกวันนี้รูป อย่างนี้ความเกิดของรูปอย่างนี้ความดับของรูปเนีย่ยนะอันนี้ก็ต้องเอามาคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะที่เรียกว่ามองเห็นที่เราสมมุติกันว่าใครหรือคนไหนก็มองเห็นว่านี้รูปก่อนเนี่ยนะแล้วรูปเกิดจากยังไงแล้วถ้ารูปเหล่านี้จะดับดับได้ยังไงเนี่ยสมมติถ้าเห็นคุณบุญชูว่าเออนี่รูปน่นะคือคือบุญชูเป็นโวหารเป็นบัญญัตใช่ก็กระจายไปบอกคือรูปเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย แล้วรูปเหล่านี้เกิดจากอะไรอ น, นแล้วรูปเหล่านี้จะเป็นไปอย่างไงต่อไปถ้าจะดับรูปนี้จริงๆอ่ะดับที่ไหนดับยังไงนะก็ต้องเอาแบบนี้มามาพิจารณาจนเข้าใจแหละเรียกว่าเจริญขันธ บ, บพะเนี่ยนะที่เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะนะก็นีก็นับว่าพิจารณาไม่ง่ายถ้าความรู้ไม่พอหรือจำคำสอนไม่แม่นคิดตามไม่ถูก ไม่ต้องจำเลยเออนี่รูปเดี๋ยวมันก็ดับเองแหละแปลว่าเดี๋ยวก็ตายถ้าแค่นี้ง่ายมากแต่ว่าคำสอนแบบนั้นไม่คู่ควรแกการพ้นทุกข์ทีนี้ถ้าจะให้ให้สงเคราะห์ลงมาใช้ในชีวิตจริงๆนะในในสามคำนี่นะทำไมนะว่าอย่างนี้รูป อนอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอนอย่างนี้ความดับของรูปเนี่ยนะอย่างนี้ความดับรูปอย่างนี้รูปทุกขัติ์อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูป สมุทยัทยสัตว์อย่างนี้ความดับรูปถ้าว่าโดยสัจจะนี่นะอย่างนี้รูปแยกนะมหาพูดบวกอุปาทายรูปนีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนี้รูป นะลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกผงเป็นที่สุดเออนี่รูปเป็นอย่างนี้นะรูปแล้วรูปเกิดจากอะไรเนี่ยไง